มงคลชีวิตมงคลที่สามการบูชาผู้ที่ควรบูชาปูชาจะปูชนียานางังเอตามังคลมุตตมังที่ชื่อว่าปูชาหรือบูชา ได้แก่การสักการะเคารพนับถือหรือกราบไหว้ผู้ควรบูชาหรือปูชนียานังได้แก่พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกับพุทธเจ้าเป็นต้นวิธีการบูชา 1. บูชาด้วยอามิตรได้แก่การทำความเคารพ การปรนิบัติหรือการให้วัตถุสิ่งคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่แสงสว่าง 2. บูชาด้วยการปฏิบัติได้แก่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวก หรือตามคำสอนของครูอาจารย์และมารดาปิดาปเป็นต้นบุคคลที่ควรบูชาการบูชาพระพุทธเจ้าชื่อว่าบูชาบุคคลผู้สูงสุดเพราะทรงปราศจากโทษทั้งปวงและทรงประกอบด้วยคุณทุกอย่างรองลงมาได้แก่พระปัจเจกับพุทธเจ้า หรือพระผู้ตรัสรู้เองเฉพาะตนและหมู่พระอริยสาวกทั้งหลายมีพระอาหารหันต์เป็นต้นการบูชาบุคคลเหล่านี้แม้เล็กน้อยก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลนานสำหรับชาวบ้านพึงรู้ผู้ควรบูชาอย่างนี้ว่าพี่ชายพี่สาวเป็นผู้ควรบูชาของน้องมารดาบิดา เป็นผู้ควรบูชาของบุตรธิดาสามีพ่อผัวเป็นผู้ควรบูชาของคุณสตรีทั้งหลายและอาจารย์เป็นผู้ควรบูชาของสิทธิ์เป็นต้นการบูชาผู้ควรบูชาจัดเป็นมงคลเพราะ 1. เจริญด้วยโพคศัพย์ 2. ประสบความสุขใจ 3. เป็นผู้เจริญด้วยบุญทั้งหลาย 4. เกียรติคุณดีงามขจรไกล 5. ถึงความสิ้นทุกได้เพราะปฏิบัติบูชา 6. มีสุขคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป 7. ทําทำให้เป็นผู้สมบูรณ์เจริญด้วยอายุวันนะสุ ข, ขะและพละ